ตั้งจิตตั้ใจทำหน้าที่ของตัวเองอากาศั้างๆางนี้เป็นอากาศที่บริสุทธิ์เป็นลมที่มากระทบกายกรกทบกายวิญญาณแล้วมากระทบจิตวิญญาณก็คือความรู้สึก ตอ้นั้นปฏิบัติถึงหลังมีความรู้สึกสบายกายและวก็สบายใจตัตั้งิงตทั้งใจมองถึงใจตัวเองแล้วก็ยิ้มเข้าไว้เมื่อมีการยิ้มให้กับใจตัวเองเนี่ยจิตใจที่เรานั้นไม่เคยแข็งกระด้างอยู่ สภาพจิตของเรานั้นก็จะได้ผ่อนคลายลงไปการยิ้มของเรานั้นยิมด้วยมีเมตตาจิตก็คือยิ้มลึกๆต้องไปในใจของเราแล้วก็พยายามเห็นใจของเราเนี่ยให้สว่างนำใจของเราไดให้ผ่อนคลายสบาย แล้วก็ตั้งใจเนี่ยสูดลมหาใจช้าๆให้มันเต็มเต็มแล้วค่อยๆคายลงหายใจออกจนทองแห้งทั้งสครั้งทำไมหลวงพ่อถึงเริ่มต้นแล้วจึงบอกเราอย่างนี้ว่าการที่เรานั้นต้องหนจิตจได้ดีกว่าก็คือตั้งใจนั่นเอง จิตใจของคนเรานั้นปัจจุบันนี้เรานั้นไม่รู้ตัวเพราะลมหายใจของเรานั้นวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราใช้ชีวิตเนี่บางคนก็หายใจชันบานยาวมากบางคนก็หายใจติดติดกแกบางครั้งก็หยุดหายใจไปเลยพวกนี้ก็คือตาย ประเด็นว่าความตายของคนเรานั้นอยู่อันอยู่ที่ไปสมุขเท่านั้นเนององค์สัมมาของพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าแต่อยู่ด้วยความประมาอานทางแล้วเกิดถึงเสียชีวิตเหายังลบอยู่แต่ไม่ปวดตัณห า, ารบก็หมาถึงว่ายังลบกับติเด็กอยู่ เราไม่ผ่อนคายความรู้สึกที่เราเป็นทุกข์ตังง้งยนดีต่อสุขทักปฏิบัติทั้งหลายในขณะปลอยท่านทั้งหลายนะัน้นตั้งหนกใจตั้หนกใจเพื่สบายนี้เข้าไว้พยายามนั่งตัวตรงมองเห็นตัวเอง สติก็คือการรู้ตัวเองเรานั้นพาดท้งไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตยอยู่ด้านนอกสังคมภายนอกเนี่ยมันกั็นอยู่กัด้วยความโรคความกวดความหลงเราไม่ได้มีอยู่กันแบบนี่สุดของชีวิตก็คือความตายเมือในขณะนี้ ถ้าเราคิดถึงว่าความเคยจินเหมือนกับที่หลงพ่อพูดในเมืกี้นี้ว่าถ้าเป็นเพศคาว่าก็น่าจะต้องกำลังนอนสบายแต่ในขณะนี้เราต้อ ง, องฝืนเป็นตัวเองเพื่อจะต้องตื่นมาเนี่ยความฝึกอกความไม่เคยจินเนี่ยจะทำให้เรานั้น รู้สึกว่องเห่าเานอนเพราะเราเคยจิ้มกับการนอนหนักแต่ในขนาดนี้เนี่ยเรามีโอกาสแล้วทำใจให้สบายเหมือนกับอากาศในขนาดนี้ที่เย็นสบายต้องดับไปที่ใจแล้วก็ยิ้มเข้าไว้การยิ้มันก็ทำให้เราทิตใจนอ่อนโยน อารมที่มันแข็งกระด้างแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาก็ผ่อนคายหมดน้ำเนื่อหัวใจของเราเนี่ยก็เรื่อผ่อนคลายไม่บีบคั้นในขณะเต้นในขณะที่เราหายใจเนี่ยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทยยิย้เข้าไว้เนี่ยมันเป็นอารมณที่ดีมันเป็นการเต้นของหัวใจเนี่ยสม่ำเสมอ การที่เราไม่เคยจำลองเสมอของการหายใจเข้าออกมันทาให้เรานั้นตะ ก, กิตตะขวนใจเห็นไหมเมื่อเราตะ ก, กิตตะขวนใจเนี่ยอารมณ์ที่เราไม่เคยทําแบบนี้มาก่อ น, นมีสติปัญญ อ, อย่างนี้มาก่อนนักปฏิบัติทั้งหลายเรารู้สึกเบสบายในช่วงบทหมายถึงว่าท่อนบทก็ตั้งแต่สมอง ลงมาถึงหน้าอกของเราเนี่ยมันรู้สึกโป่งโล่งเบาสบายแสดงว่ามันผ่อนคลายในความคิดมันผ่อนคลายในการปรุงแต่งอารของชีวิตเราที่เกิดขึ้นทุกวันทุกวันบางคนชีวิตแต่ละคนในเรื่อยึดมั่นถือมันในความรักบา้างในความโลภความกดความหลง จนไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองโง่สัตว์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีความยินดีพอใจและไม่ยินดีและไม่พอใจเราก็เช่นเดียวกันในขณนะนี้เราพึงพอใจหัวใจเราก็ผ่อนขายกล้ามเนื้อ ใ, ในในร่างกายเราเนี่ยเช่นสมอง ด้านซ้ายด้านฝวาที่จิตนั้นจดจำเนเหมือนเราได้พัสกสมงเรารู้สึกร่องฟ่องสบายที่หัวเราเนี่ยลงไยใจเราก็รู้สึกเย็นสบายแต่มันเบาช่วงบน ม, มันก็รู้สึกไปหนักช่วงล่างช่วงขาตั้งแต่สะเอีลงไป เมื่อเรารู้สึกระหว่างจิตกับกายเนี่ยมันไม่เคยผ่อนคลาย พ, อพอาร้อมๆกันแบบนี้ไปจุกังเหมือนเรานั่งไม่เหมาะเหมือนอะไรมันทุดนิดเหมือนกับเรางอขางอแข้งแล้วมันไม่เหมาะในการนั่งอย่าไปสงสัยมันคนเดยวมันจัดระเบียบทางบนก็คือจิตเขาเรียกว่าจิตใต้สัมฤทธอง เราไม่เคยนึกอย่างที่หลวงพ่อมบอกเราไม่เคยคิดจดจําในสิ่งที่เราเคยจดจําในผลงามความดีของการผ่อนคลายของนักปฏิบัติทั้งหลายเรานั้นอาจจะมีความคิดว่าพอรู้สึกโร่งสบายเนี่ยจิตมันนิงเีง่ยเราเหมือนจะหลักทันทีเลย ตัวที่หลังตรงๆอยู่เด็ก็เริ่มคุ้มเริ่มหงอหัวที่มีกั้ๆอยู่ก็เริ่มห้อยเห <c oughs> มื อ, ก น, อนกันบพระสุชาติบางรูปเนี่ยกำลังห้อยนะ บ, งบงาวงขงกมงอเริ่มรู้สึกว่าเข้าใจในที่ที่พ่อพนะูดเาลึ ก, กเข้าใจทุกเรื่องแนะสดงว่าเคยชินแนิ่งและเป็นหลัก ขยับแล้วก็เป็นเป็นนวดเป็นนี่าเกิบหั้ากินอยู่ตลอดเวลาก็บอกแล้วว่าเราไม่เคยจินแบบนี้มาก่อนเหมือนเรากำลังมาฝึกจิตใต้สำน้กก็คือสตินั่นเองพื้นฐานโองการปฏิบัตินั้นสตินั้นมีความสาคัญอยัามากสำหรับนักปฏิบัติ เมื่อเรามีสติรู้เนี่ยเราก็ต้องรู้เหตุว่ากายกรรมวัตถกกรรมมโนกรรมเนี่ยมาเกิดขึ้นเพราะอะไรกายกรรมเราก็ให้พิจารณาว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ว่าต่เป็นของอันนี้จะเป็นของไม่เที่ยงอารมณ์เรื่องจิตวิญญาณกับกายวิญญาณจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกัน แรงสภาพความคิดไปต่างๆนานาแค่อารมณ์เย็ยนๆมาต้องผัดถูกตัวก็คิดว่าโอ้เย็ยนหนอยามีความรู้สึกเย็ยนสบายก็จะรู้สึกเป็ น, นดีๆเื่องว่าจิตวิญามันฝึกเปลี่ยนแค่ความรู้สึกการวิญญาเนี่ยมันแปลตัวนมันต้องการโน่นต้องการนี่เกิดจากอารมณ์ของความคิดเรื่อว่าจิตไปแผ่นนึ่ง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 ดันโนก็มีงามมีเขามีงวนมีหาเป็นรูป n ามแห่งสภาพของกรรมเจนจางมาวัวควาหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่เวียนว่แย่เกิดอยู่ที่สูงบ้างอยู่ที่ต่ำบ้างอยู่ที่สูงก็หมายถึงเป็นอริยบุคคล เป็นบุนนนคคลที่มีความเป็นอาจริยญะเรียกว่าเปนคนฉลาดจักใดหรือมนุษย์ใดเนี่ามีความฉลาดเรียนรู้เนี่ยมีสติมีปัญญาปัญญาก็แปลว่าความร่ำลุ่มในกองสำคัญก็สแสดงวนันปฏิบัติทั้งหลายคนที่มีสติมีสติมีปัญญาเนี่ยก็ต้องมาจักสิน สิ่ก็คือความสำรวมทางกายทางวาจาและก็ทางใจขณะ น, นี้ท่านทั้งหลายกําลังสํารวจทางกายทางวาจาทางใจปิดปิยะวาจาปิดกายที่มันเขมุขขโมวัวที่จะต้องเป็นมั่วกับความตะเกียบตะกายความอยากได้ของเราก็คือปิดความโลภความกดความหลงทั้งอยาง ทุอย่างเลยปิดแล้วก็เลยแบบปิดประตนะูนรกในขณะที่เราเนี่ยหลุดพ้นจนากนรกแล้วนรกก็หมายถึงความมุ่นวายความโลภความเจ็บแย่ต่างที่เราทํามาหากินอยู่ทุกวันเนี่ยการที่เราดํารงชีวิตเนี่ยโดยที่เราไม่มีสติสติกก็ ค, คือความรู้ตัว ปัญญาก็คือความรอบรู้ในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นวันหนึ่งเคืองหนึ่งวินาทนีแต่ในขนาดนี้เนี้เราต้องการบุญบาลีใช่ไหมบุญก็คือความว่างป่าเราก็พยายามถามใจเราเองก็คือถามตัวเราเองในขนาดนี้เนในขณะที่เราอยู่ในองค์ภาวนาเนี่ย เราก็ยิ้เข้าไว้เมื่อยน้มแล้เราก็ถามใจตัวเองว่าที่นี่ไม่ไวุ่นวายหนอที่นี่ไม่ไวุ่นวายหนอที่นี่ไม่ไวุ่นวายหนอคำว่าวุ่นวายก็หมถึงว่ากังวลกังวายหรือได้พูดหรือได้กระทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยทั้งกายและใจในเราสงบนิ่แล้ว มันไม่มีความมุน่นวายความมุ่นหมายก็คือความโรคก็คือความอยากได้ความอยากได้ของเรานนเนี่ยมันจะต้องเดินไปเดินมามันจะต้องคิดนั่นคิดนี่เมื่อมีความคิดเนี่ยก็คือการาคาดคันเอแล้วก็คาดเดานั่นเองการคาดคันเอคาดเดาเนี่ยาดดามีสองประเด็คาดแล้วได้เนะดาแล้วได้ ก็คือความสมบวังที่มนุษย์เขายึดมั่นถึงมันเราก็ยังถามใจตัวเองในขนาดนี้นสมหวังที่สุดของเราเนี่ยมันคืออะไรที่สุดของเราคือความสมบวังเนี่ยไม่เห็นมันมีอะไรที่จะยึดได้เลยพราะเราสมหังอย่างหนึ่งมันก็เป็นภพอีกอย่างหนึ่งยันมีคนมาชื่นชมเรา เดี๋ยวก็ต้องไปเจอคนที่เขาดินา้นถ่านคนเขารักเราเนี่ยเราก็าไปเจอเดี๋ยวก็ไปเจอคนเกลียดเราอิจฉาเราเห็นไหแต่ใครคือตัวกําหนดรู้ตัวเราเนี่ยคือเป็นคนกําหนดมีสติรู้ถ้าในขณะนี้เรารู้ตัวเนี่ยเราไม่มีความโลภ ไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดไม่มีความพยายามิ้มเขาไว้ว่าโอ๋เนาะชีวิตของเราอ๋อทุกวันเนี่ยจิตยุ่งยากของเราเนี่ยไปตามสภาพของกิเลสเหรอกิเลสก็หมายถึงว่าความอยากได้เมื่อได้แล้วคิดแล้วนึกแล้วไม่สมปัจจัยก็เสียใจความเสียใจของเราเนี่ย มันก็ประกอบความอ่อนร้าของกล้ามเนื้อหัวใจมันเบื่อหน่ายมารู้สึกหงอยเหงาซึ่เศร้ามันรู้สึกว่าท้อแท้มันเบื่อไปหมดมันไม่อยากจะสู้นะเราจิงแตอารมณ์แบบนี้แต่เราไม่รู้เลยว่าการที่เราคิดอย่างนี้ปรุงแต่อย่างนี้นมันทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ย ออนลกล้ามเนื้อในกล้ามเนือของร่างกายรวมทั้งสิ่งที่สาคัญก็คือสมอ ง, องก็คือความคิดเรีว๋วคิดได้ต่กิดเมื่อคิดแล้วไอ้ส่วนหนึ่งมันก็จดจเราคิดเรื่องไม่ดีเนี่ยไอ้สมองส่วนหนึ่งมันก็ตกทึกไว้เหมือนอมพิวเตอร์มันทึกไว้ มันบันท e ch ึกคามคิดความจดจำในสิ่งที่มันดีหรือไม่ดีเยมันเข้าไปเข้าไปในจิตจิตก็คือจิตวิญาณของมันก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์บันทึกแล้วมันก็จบฮอร์โมนทุกสิ่งอย่างไว้ในเครื่องแต่เครื่องนั้นมันก็ต้องอาศัย พลังงานก็คือไฟฟ้ามนุษย์ก็เช่นเดียวกันจึงมีโลหุขุขน่านเต็มตัวเต็มหยกอะไรที่มันใช้ไฟฟ้ามากที่สุดกระแสะไฟก็คือศีรษะเรานั่นแหละจึงมีเส้นผมมุ่งมากมากที่สุดในในส่วนของร่าง ก, กายถัดลงมามันก็ ตาก็มีคิวนะคิ้ก็มีขนเต็มไปหมดรวมทั้งนขนตางโดยขนคิ้วด้วยช่วยกันทั้งล่างและบนไอ้หัวเนี่มันใช้ระบบไฟฟ้าเนี่ยมากมันยึดคิดมากจำมากไฟตาก็เช่นเดียวกันมันก็ใช้ระบบไฟฟ้ามองเห็นมากเห็นนอกก็ ส่งกระแสไฟฟ้าไปกระทบกับไอผมเรานี่แหละมากเต็ไมไปหมดขนาดหัวเราเนี่ยังมีแต่ขุมขนมันจิดขนก็คือมีความโรคที่เขาสักสมอยู่ในสมองมันถูกบันทึกแล้วก็จดจำไปยังจิตได้ทึ้นเลเจ็ดวานโกด เรามีความโกรธพยาบาทมันฝังลึกแต่เราไม่รู้เลยว่ามันลึกแค่ไหนมันฝังไม่แค่ไหนนะเราใหม่ๆก็ทำใจไม่ได้ร้อง吼ร้องให้โกพยาบาทอาฆาตสาบแซงแซงด่ากันทะเลาะกันไอ้สมองนี่มันก็บันทึกคงแต่งไปกระสไฟฟ้ามันก็มีทั้งบวกและลบคิดลบมันก็ทําให้หน้าเขร่งเครียด กล้มื้อหัวใจกบีร่างกายไม่ก็เกรงเลือดลงก็ูกหัวใจก็เต้นผิดปกติอย่างที่ฟังโกรเมื่อเรามีความโกรธเนี่ยรับนับไม่ได้เนี่ยร่างกายก็คือมันรับไม่ได้แล้วเหมือนกับรถเหมือนกับพยายามน้ำหนักทางน้ำหนักที่เราแบกอะไรมันแบกลับไม่ไหวเนี่ย ร่างกายเราฝึกไม่ได้นมันก็ถึงขั้นแตกหักแล้วคำว่าแตกหักก็หมายถึงว่าอารมณ์เนื้อว่าจิตวิญญาณเนเราท่อเราไม่เคยฝึกเหมือนในขําแหนนี้มาก่อนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแปลแล้วอารมณ์แปลปนแล้วจากความอดทนเนี่ยเราก็ชักจะทนไม่ไหว ร่างกายก็หลังสารที่มันเป็นโทษก็คือลบลบต่อร่างกายเขาเพิ่งบอกว่านักปฏิบัติเนี่ยให้มาปิดกายฝึกจิตเมื่อจิตดีเนี่ยถ้าคิดบวกเนี่ยกายไปท้อผ่องใสเหมือนก็เราในขณะนี้เนี่ยสมองเรานี่ไม่จดจำอะไรเหมือนกับองค์สมายทศวรรแล้วท่านกล่าวว่า สกัยึดไม่ได้สุดที่แท้สิงของชีวิตเราลองนึกที่ในขนานี้ออกไหมนึกไม่ออกทุกข์ก็ยึดไม่ได้มันทุกขี่สุดของมนุษย์เนี่ยมันคืออะไรแต่ลองนึกออกว่าสิ่งที่เราจะนึกได้เห็นได้ก็คือตัวเราก็คือปัญญาเน้นความเป็นอนิจารเป็นของไม่เที่ยง มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายเมื่อก่อนเราก็เป็นเด็กตอนนี้เราก็มีอายุขึ้นมาสํ c คั i เราก็เสื่อมโรยเช่นผมก็หงอกขาวค่อยตามกาที่เคยมองเห็นก็ต้อง่นองไม่เห็นหนังที่เคยเต่งตึงก็เหี่ยวห้อยเรานึกถึงตัวเองไม่ได้ก็นึกถึงยายคุณตาา เวรคนแก่คนชราอย่างนั้นเนี่ยอาการของคนแก่ก็คือการเจ็บป่วยบ่อยล้เดินก็พบกระเทงนิ้วก็พดงอโก่งยแบบหลังก็งอไอที่ฟันที่เคยสวยๆมันก็เริ่มหักเป็นซี่ๆหลุดไปสภาพร่างกายที่เคยสวยสดก็หร ยานหย่อนไปหมดกล้ามเนื้อที่เคยแข็งแข็งก็อ่อนล้ามร่างกายที่เคยถูกมัดถูกตึงด้วยเอนไซม์กล้ามเนื้อต่างๆ ท, ท, ที่เคยแข็งแรงคนแก่จะไปกินอะไรสร้างเนื้อก็ไม่แข็งแรงนังก็เขียวกินอะไรก็ไม่แตกต่นเรียกว่าตัวอัดด้วยจังเป็นของอเรื่อยสิ่งที่มันไม่เที่ยง เราอาจจะมองไม่เห็น้นตัวเราเพราะเราไม่เคยคิดพิจารณาเรียกว่าสมถะวิปัจนานักปฏิบัติเนี่ยจะเข้าวิปัจนาเนี่ยจะต้องสมถะวิปัจนาก่อนสมถัก็คือการพิจารณากายในกายก็คือสตินั่นเองควบคู่กันสติก็คือความรู้ตัวก่อน เ่อเราเห็นตัวตนที่แท้จริงของเราว่าโอ้เห็นตัวอ น, นิจจังอานิจจังก็เป็นของไม่เที่ยงก็เห็นความแก่ชนาความเสื่อมของสังขารล่าความเสื่อมของจิตใจของคนแต่ละคนเหนน็นว่าปัญญามก็คูดคู่กันเมื่อเรายังไม่เห็นตัวอ น, นิจจังเนี่ยแสดงว่าวสติเรายังไม่เกิด เมื่อเรามีสตไิไม่เกิดหลวงพ่อจึงย้ำเตือนอยู่เสมอว่าให้เราตั้งสติสติก็คือคัางรู้ตัวคือเน้นตรงนี้เลยจึงไม่ค่อยสอนเราลุกหน้าไวจนเกินไปเมื่อเรามีสติรู้ตัวเนี่เราก็พิจารณาตัวเองเรว่องวัฏฏขัตวิปัสสนาการพิจารณากายในกายของเราเนี่ยด้วยจิต ด้วยใจด้วยความคิดเห็นในใจของเราเนี่ยเหมือนในขณะนี้ก็คือนั่งสมาธิสมาธิก็คือตั้งใจมั่นบุญก็คือความว่างเป่าก็บอกแล้วว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหรอกก็คือใจของเรานั่นแหละอย่าไปวุ่นวายกับใจในปัจจุบันนี้ก็คือต้องไม่วุ่นวายกับกายของเรา กายก็คือเนี่ยตัวกูของกูที่นั่งอยู่แล้ะก็คือตัวมึงเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยมันเกิดอาการเจ็บป่วยเมื่อยล้าเกิดอาการไม่เหมาะไม่เหม็งคันอะไรตายเราก็อย่าไปยุ่งเรือ่องนันเราไม่ยุ่งด้วยสติสติก็คือความรู้ตัวก็คือรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวปัญญาหรือเรียกว่ากายปัญญาหรือจิตปนญญา เมื่อเราเนี่ยไม่รู้ตัวรู้ตนเนี่ยไอโง่โง่เออที่มันอยู่กันทุกวันเนี่ยเราก็อยู่ในความโง่ก็คือกินเหล็กเปนข้อนาเราก็คือความโรคกดหลงเนยมันค้อนําน่ยให้เราเนี่ยไปสแสวงหาธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟก็อยู่ในตัวเรานี่แหละธาตุดินก็คือกระโดดค่อยๆมองตัวเองว่าเป็นกระดูกเนี่ย เรื่องว่สาสำหทักให้พิการเวาเกิกดเหตุนึกถึงว่ากระโหลกศรีรษะเราเนี่ยก็ตาเราโบสองข้างหูก็โบมีขากันไกรต่รงางๆต่างที่เราดูนิยายผีนั่นแหละหน้ามึงละจมูกก็โหบปากก็วอลิ้งก็ไม่มีนี่แต่กระโหลกไม่มีหนังเห็นไหม เมื่อเราเห็นกระโหลกเสร็จแล้วก็มองดูว่าโอ้มีไหปรา้ามีกระดูกหัวไหล่มีกระดูกแขนมีกระดูกหน้าโกเหมือนผีที่เราเห็นในหนังนั่นเองเองไม่เคยพิจารณาองอสุภะของตัวเราเองเนี่ยย่อมไม่มีความชำนาญก็เหมือนกระดวกพ่อเนท่ันแกงสอนเราว่าให้นึกถึงหน้าเราส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 ไม่มีความรู้ตัวรู้ตนเมื่อเราไม่มีสติรู้นี่ก็คือคนบ้านคนวิกลจริตจริตของเราเนี่ยก็ไปยินดีบ้านรถที่อยู่อาศัยยินดีความสวยงามในร่างกายเราเมื่อยินดีของเราเนี่ยที่เราแต่งไปเนี่ยสวยงามโลกร้อนเนี่ยเพื่ออะไร เราก็นึกถึงว่าให้คนสวยเนี่ยจะได้มีผัวหลอกผู้ชายไอ้ผู้ชายที่ทำตัวหลอททำตัวดีเนี่ยมันก็หลอกผู้หญิงแต่ให้ใจของเราในจิตใต้สำนึกจริงๆเนี่ยรอกกันไปก็เหมือนผี น, นั่นแหละหอกคนอื่นเคยพยายมทากิริยาทุกสิ่งทุกอย่างให้คนอื่นก็เห็นว่าเราเป็นคนดีแต่ถามตัวเองด้วว่า เราก่หกคนอื่นม ไ, ได้แต่เราไม่สามารถหลอกตัวเองได้เราว่าเรายินดีหรือไม่ยินดีเราชอบใจหรือไม่ชอบใจเนี่ยลองถามเราเพราะนั้นเราก็ลองถามตัวเองว่าโอ้เนาชีวิตเราที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยคือมนโนอะเนี่ยมนโนก็คือการคิดตรงแต่ การคิดปรุงแต่งเนี่ยมันก็ค้องงำไปด้วยกิเลสก็คือความโรคความโกรธ ค, ความหใจใจลงเนี่ยทาให้จิตใจเราเนี่ยว้าวุ่นวุ่หมองใจเห็นไหมเดี๋ยวร้องให้เดี๋ยวหัวรเราะฉะนั้นเราเมื่อจะสอนสมาธิสมาธิก็คือความทั้งใจมันทุกคนทั้งใจและมั่นใจยึดเข้าไว้ตติมีความรู้ตัวเข้าไว้แล้วค่อยๆกระเถิบเข้าสมาถะแล้ว สมาธิวิปั ส, สนาเขาบอกว่าโอ้ยไปฝึกวิปั ส, สนามาไอโง่ยิงโง่วิปั ส, สนาเ ร, เรียกว่าปัญญาล้วนๆคนที่มีปัญญาเนี่ยจะคิดได้นึกออกในกองสำคัญตัวเองเท่านั้นคนที่นึกไม่ได้คิดไม่ออกอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของวิปัสนาได้อย่างไร วิปัสนาเนีคือการรู้อารมณ์รู้กายรู้ใจรู้จิตใต้สำนึกผิดถูกฤฤฤฤชั่วดีเรียกว่าเข้าสู่สภาวะอริยะบุคคลแล้<น>เมื่อเราเป็นอริยะบุคคลก็คืออริยก็คือหมายถึงมีความเป็นอัจฉริยะในตัวตนของตัวเราเองแต่มนุษย์ปัจจุบันนี้มีความเป็นอัจฉริยะก็คือ เรียนเพื่อฉลาดหรือรู้มากก็จะได้เหนือคนอื่นเห็นไหมมันต่างกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าการที่เราเรียนรู้มีความรู้มากเนี่ยนะแทนที่รู้แล้วจะกระจัดกระจายให้คนอื่นรู้มากเหมือนกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้วัาตักวัดตักก็คือการเขียนไหว การเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์โลกของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตายแล้วไปไหนแล้วเนิ่นนานก็คือจิตใต้สำนึกเราเนี่ยมนันเป็นเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจะต้องผ่านภูมินรกมาก่อน อค์นรกเนี่ยเกิดเราก็เป็นสัตว์ในวัฉายก็เป็นหมาเป็นแมวเป็นกุ้งหอยปูกปลากี่ชาติกี่ชาตินรกมีหลายกับหลายกันก <c oughs> ็จะไม่โยงไปทีละกันเราเพราะว่ามันวุ่นวายเดี๋ยวจะสั์สนนักปฏิบัตินรกก็มันอยู่ที่ใจเนี่ยจิตใต้สังนึกเราเนี่สภาพของกรรมเนี่ยกรรมก็คือการการะทํา กรรมมันเป็นเครื่องปรุงแต่งชักจูงเรานีให้เป็นสูตสภาวะกรรมกอเอย๋ยกอไก่ก็คือกอกรรมกรรมคือต้องเกิดนั่นเองมนุษย์เกิดเนี่ยมีแยกกับมาว่ามีอุทกภัยอักขีภัยวาตาภัยนะนับว่าเป็นภัยอันใหญ่หลวงของมนุษย์มันไม่ใช่ ภัยนี่ก็คือตัวประมาทนั่นเองความชอบช้ำเลยก็าถึงจะเอาภัยมาประคบนมนุษย์ที่มีความรู้สึกว่าถูกกะระทําเนี่ยเมื่อถูกกะระทำเนี่ยรู้สึกรับไม่ไหวเ ม, เมื่อรับไม่ไหวก็คือทนไม่ได้นั่นเนองเห็นคนอื่นเขารวยเนี่ยเราก็คิดอยากจะรวยเหมือนกันเขาเอาแล้วมันเอาแล้วปูนแต่งแล้ว เห็นก็สวยเราก็อยากจะสวยจะลืมว่าเราเป็นลูกใครพันธุกรรมของเราเป็นหน้าตามันก็เหมือนกับปูกยากตามั้วแต่คนสวยคนไม่สวยคนรวยไม่รว ย, ยถ้าให้สุดยางจะต้องตายที่สุดจะต้องเป็นคนแก่ชราเป็นคนเจ็บคนป่วยคนไข้าอาตามาได้ไปโรงพยาบาลไปตรวจร่างกาย เห็นคนเข็นเข้าเข็นออกเข็นออกเข็นเข้าเห็นคนแก่ถึงมากลงลบมารูกหลาก็ประคองมีสามขาสี่ขามีลถบักคนก็คอห้อยลูกมีห้อยกระเป๋าแบงเงินแม่แต่แต่งตัวดีหน่อยเพราะว่าเป็นคนมีมีสตางค์ย แต่ไอคนที่ดูแต่งตัวไม่ดีก็เข็นรถเช่นเดียวกันเพราะว่าไอคนเขียนรถมันเห็นว่าคุณโยมเนื่ยแต่งตัวไม่ค่อยดีก็ไม่อยากให้นั่งรถไอคนที่มีรถเกง๋งรถยี่ห้อดีๆมันก็รีบเอารถมันเข้าไปใส่นีเข้าไปตรงประตูเลยแล้วก็อุ้มใหญ่ค่อยๆวางไอแท็กซี่มันพามาคนป่วยมันยกวางชุนชุน ลบก็ไม่เยเขียนดันไปคุยกันไปคนไข้กับป่วยอ้อยอ้ ย, อ ย, อยเนี่ยเขาบอกว่านรกสวรรค์เนี่ยมันก็เกิดจากสติปัญญานนเนี่คนที่มีสติปัญญาเนี่ยเหมือนเราในขณนะนีเน้เราไม่ต้องทำอะไรเลยกายเนี่ยทำทั้งใจอย่างเดียว เมื่อทําใจเปิดปองโล่งสบายสมองผ่อนลายร่างกายผ่อนคลายหมดเกิดความง่วงเลยนิ่งไม่ได้นิ่งเกิดความหลับช่วงบนเบาช่วงล่างเริ่มปวดเมื่อยเจ็บปวดเริ่มไม่สนิทใจเริ่มไม่สบายใ จ, ยใจแต่อีตอนแรกทําไมมันรู้สึกสบายนะแต่ตอนนี้ทําไมมันรู้สึกว่ามันไม่สบายก็เพาะว่าการปุงแต่ง ความรู้สึกเท่านั้นคนเนี่ยมันเกิดมาจากความรู้สึกเรียกว่ากรรมนั่นเองกรรมเนี่ยมันสู่สภาวะจิตฝังอยู่ใต้สำนึกของเราแน่ๆ เ, เรียกว่าสัญญาเค่อยๆตามมาแนละ้วปัญญาก็เกิดสมาธิก็เกิดวิปัสสนาก็เกิ ด, กกดพร้อมกันกรรมเนี่ยมันก็คือจิตใต้สำนึกมันแฝงอยู่ใน คามรู้สึกของเราบางคนเกิดมาในเจ้าหมองใจไม่สบายใจตื่อัดใจบางคนเป็นโรคประสาทถึงก็ต้องกินอยู่กินยาอยู่ตลอดชีวิตบางคนก็เป็นโรคชักหลงบ้าหมูชักตลอดเวลาบางคนก็เป็นโรคคนบ้าการไม่ต้องเสกกลางไปต้องเข้าเรี่อยเจย์เย์ไปบางคนก็บ้าทรับสมบัติ หลูกหลานอยู่ไม่ได้ไรออกเพราะว่าเฝ้าอันนี้คือบ้านกูสมบัติกนะูการที่เราเนี่ไม่รู้เหตุรู้ผลเนี่ยมันทำให้เราเกิด ค, ควา ม, มวมโหงใจด้วยความอยากได้โดยความโกรธพยาบาทเนี่ยแต่ในขณะ น, นี้ทุกคนเนี่ยได้มีบุญบุญก็คือความว่างปล่ความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กาย นั่งเฉยสบายใจพอเรารู้สึกสบายใจพวกผ่อนกายใน่างกายเราเนี่ยมันเหมือนแฟชั่นชนิดหนึ่งที่นิยมมากนิยมการเดินนิยมการวิ่งนิยมการผัดแป้งกระถิ่งโฉมแต่งตัวใส่เสื้อใส่ผ้าสีนั้นสีนี้ยุกยิ๊ยุกยิ๊เหมอะไม่เหมาะสวยไม่สวย ดีไม่ดีเช้าถุ่งมาก็ร่างกายเราก็คิดแนละ้วต้องการอาหารอยากได้นอนอยากกินนี่ตลอดเวลาเรามันชิงต่อความวุ่นวายว้าวุ่นใจสมองเราก็ทั้งจดทั้งคิดเนะนี่ยขนาดเราเคนพูดเราจดยังไม่ค่อยทันเลยความแปรปวนของอารมณ์ใจของเรา ไม่เคยนิ่งอย่างนี้มาก่อนไม่เคยหายใจเป็นปกติสันยาวเนี่ยเป็นปกติอย่างนี้มาก่อนร่างกายเราก็ไม่ชินในการสงบนิ่งอย่างนี้มากา่อนก็เลยรู้สึกฝืนใจฝืนกายเมามากขึ้นกหรมากขึ้นก็มีสติมากขึ้น พอมีสติปุ๊บเราก็พิจารณาเลยว่าโอ้เนาะเกิดแก่เก็ดตายเนี่ยเราก็พิจารณาตัวเองอาจจะไม่รู้แต่เห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่แก่ชะาลงไปเนี่ยท่านลำาบากลำบากมาทั้งชาติ80ปี90ปีเนี่ยอยู่มาไม่น้อยนะสยวันเป็น1ปีคนเราก็อยู่แค่สอง0 0กว่าวันเอง แล้วทักได้อะไรไปบ้างชีวิตเราก็เช่นเดียวกันไม่ได้อะไรได้แต่ความคิดตรงแขกเรียกว่ามาโนก็คือมีกายกรรมกับวจีกรรมมโนกรรมที่จะทำให้เราเดือดร้นลอกขึ้นสมาต่คนที่จะกัดประตูนรกได้ด ก, ก็คือสียงสมาธิปัญญา สิ่ก็คือความสัมรวมกายวานใจใจวันนี้เรามารักษาสิ่เรามาความสัมรวมทั้งกายและใจเนี่ยในว่าสิ่สมาธิก็แปลว่าความตั้งใจมั่นเราตั้งใจคุณงามความดีที่จะคิดถึงคุณงามความดีรับความชั่วมาประกอบกรรมดีม e ันก e ็ยากเหมือนในขณะนี้ที่เรากําลังฝึกฝืนตัวเอง ศีล ส, สมาธิปัญญาก็คือความรอบรู้ในกองสัณฑ์ก่อนที่เราจะรู้เราก็ต้องมีสติรู้ตัวเองก่อนก่อนจะเกิดปัญญาเราก็ต้องพิจารณาด้วยสมถะก็คือการพิจารณากายในกายร่างกายของเราในล้วนจะเป็นของอ น, นิจจอารมณ์เข้าสู่วิปัสสนาก็คือความคิดที่เป็นรู้เท่าทันของกาย ร่างกายว่าเราเกิดความเสื่อมทรมเราก็มีปัญญาเข้ามาวิปัสสนาก็เข้ามาเป็นของคู่กันระหว่างกายกับจิตวิปัสสนากับสมถะวิปัสสนาก็เป็นของคู่กันสติก็เป็นของคู่กันทั้งสามอย่างคือสิ่งสมาธิปัญญาเมื่อเรารวบรวมเนี่ยรู้เหตุรู้ปัจจัยนังปฏิบัติเลยไม่มีความยากเลย ในการพิจารณาในการปฏิบัติความเป็นอารยะบุคคลเป็นอารยเจ้าเป็นอริยสงเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราแ น, น, น้นอกเมื่อเรามีสินบริสุทธ์กายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ก็เป็นอริยะบุคคลแล้วเพราะนั้นวันนี้เดน๋ยวจะขังเกินไปเริ่มดิ่งจักแล้ว ก็พอยินดีปุ๊บ ก, ก็หักข้ามใจมีสติรู้ค่อยๆหายใจให้เป็นปกติเพื่อจะได้ถอนสานาอามาธิกดดาวจังหวัดฝืนกลับไปกลับมาดัก ง, งอได้แต่หักไม่ได้ก็หักสักทีเดียวค่อยๆหนุนตา